บ้านหลวงธาราเป็นเรือนแฝดสามหลังติดกันตั้งอยู่ริมคลองบางแวกชาวบ้านแถวนั้นพากันเรียกว่าบ้านสามกระไดเพราะมีบันไดขึ้นลงบ้านถึงสามทิศคือทิศเหนือทิศใต้และทิศ ต, ตะวันออกเป็นบ้านทรงไทยที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในตำบล น, นั้น เรือหางยาวนำสองพ่อลูกมาส่งเป็นรายสุดท้ายด้วยว่าบ้านสามกระไดตั้งอยู่สุดคลองบางแวกพอดีทิดพองกับหนุนเจริญช่วยกันขนสัมภาระขึ้นเรือนบรรดาบ่าวไพร่ามาเห็นก็กระวีกระวาดเข้ามาช่วยยกของคุณพองมาจากเมืองสิงห์รุ่เจ้าคะทำไมไม่ส่งหนังสือล่วงหน้ามาก่อน คุณท่านจะได้ให้คนเอาเรือไปรับแม่วาดซึ่งเคยเป็นพี่เลี้ยงของทิดพองทัก่ายพวกที่เป็นสาวรุ่นรุ่นพากันมองเมียงมายังหนุ่มน้อยคุณพ่ออยู่ไหนจ๊ะแม่วาดบุตรชายหลวงธาราถามหาบิดาคุณท่านไปเดินเล่นในสวนกับคุณหญิงเจ้าค่ะแม่วาดรายงานถ้าเช่นนั้นฉันจะไปหาท่าน แม่วาดช่วยขนของไปไว้ที่ห้องฉันด้วยอ๋อนี่ลูกชายฉันหนูไหว้แม่วาดเขาสิสิเขาเคยเป็นพี่เลี้ยงของพ่อหนุ่มน้อยยกมือไหว้หญิงสูงอายุตามที่บิดาสั่งเขาชื่อคุณเจริญจะมาเรียนหนังสือที่บางกอกแม่วาดช่วยดูแลเขาด้วยนะจ๊ะได้เลยเจ้าค่ะ คงอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคุณประพจนะเจ้าคะคุณพองจำคุณประพ์ลูกชายคุณสายใจได้ใช่ไ้มเจ้าคะหลอนหมายถึงพี่สาวของทิดพองได้สิเคยเห็นตั้งแต่เขายังเป็นเด็กป่านนี้คงโตเป็นหนุมแล้วใช่ไหมก็คงจะพอๆพกับคุณเจริญนี่แหละเจ้าคะคุณประพ์เธอคงดีใจที่จะมีเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วย บานนี้มีแต่ผู้หญิงจนเธอบ่นอยู่บ่อยๆว่าอยากชวนเพื่อนผู้ชายมาอยู่แต่คุณหลวงท่านไม่เห็นดีเห็นงามด้วยส่วนคุณหญิงท่านไม่ว่ากระไรเพราะรักและตามใจกันมาตั้งแต่เด็กๆคำพูดของแม่วาดทําให้หนุ่มน้อยคิดถึงยายคุณหญิงซึ่งเป็นย่าของเขาคงจะรักหลานชายเหมือนที่ยายรักเขา แต่ไม่รู้ว่าคุณประพจน์เธอจะดื้อกับคุณหญิงเหมือนที่เขาดื้อกับยายหรือเปล่าแล้วพอประพจน์เข้าไปไหนเสละ่ะทิดพองถามหาหลานชายไปโรงเรียนเจ้าคะเธอเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบสอบเข้าได้เองโดยไม่ต้องให้คุณท่านฝากเธอเรียนเก่งมากนะเจ้าคะปีนี้ขึ้นมัธยมห้าแล้วอ๋อ แล้วคุณพี่สายใจล่ะอยู่ที่ไหนเขาถามหาพี่สาวเตรียมอาหารอยู่ในครวัวในจาค่ะตั้งแต่คุณเปลี่ยมไปอยู่กับพัญญาคนใหม่คุณสายใจถึงเงียบลงไปมากไม่ค่อยพูดคุยกับใครตอนแรกแรกแทบจะทำใจไม่ได้คุณท่านต้องเตือนให้เอาทางพระเขา้าข่มแล้วคุณสายจิตละ่ะเป็นยังไงบ้างคราวนี้เขาถามถึงน้องสาว คงสบายดีเจ้าค่ะเธอมีลูกสาวห้คนฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงไว้ส่วนตัวเธอก็ไปอยู่หัวเมืองกับสามี น, นานๆจะมาเยี่ยมลูกสักครั้งลูกสาวเธอไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ค่อยกินเสซนกับคุณพระพ์สักเท่าไร่พวกเธอเรียนอยู่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดเจ้าค่ะเอาละ ฉ่นยืนพูดกับแม่วาดมานานแล้วจะขอไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ในสวนแล้วนะเชิญเจ้าค่ะเชิญเดี๋ยวจะได้มารับประทานอาหารกลางวันรวมกันคุณสายใจเธอเป็นคนปรุงนะเจ้าค่ะดีฉันเลยเด็กๆคอยเป็นลูกมือไปหนูไปกราบคุณปู่คุณย่า ก, กันเขาเรียกลูกหนุ่มเจริญสงสัยนักว่า เหตุใดบิดาจึงเรียกเขาว่าหนูแทนที่จะเป็นไอ้หนูเหมือนตอนอยู่บ้านนอกอยากจะถามหากก็ไม่กล้าหลวงธารากับคุณหญิงห่วงกำลังเดินดูต้นไม้อย่างเพลิดเพลินเห็นคนสองคนเดินเข้ามาหาคุณหญิงจึงถามขึ้นว่าคุณหลวงคะนั่นใครเดินมานั่นคงไม่ใช่ผู้ร้ายหรอกนะ คุณหลงวงวัยเก้าสิบเพ่งมองไปข้างหน้าบอกพันยาว่าท่าทางคงไม่ใช่ผู้ร้ายที่ไหนจะเข้ามาในสวนของเราถึงว่าสิหรือว่าจะเป็นพ่อประพ์ของยายพ่อประพ์ภาเพื่อนมากระมังคงไม่ใช่รอคุณหญิงท้าทางสองคนนั่นจะเป็นพอลูกกัน หรือว่าพ่อเปี่ยมเขาเกิดจะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียคุณหญิงห่วงคิดว่าคงเป็นบุตรเคยมากับหลานชายถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิแม่ส้ายใจจะได้หายโศกเศร้าสถทีคุณหลวงรู้สึกสงสารบุตรสาวที่ถูกสามีทอดทิ้งไปอยู่กับพันญาน้อยครั้นสองพ่อลูกเดินมาถึง ก็ก้มลงกราบที่เท้าของคุณหลวงกับคุณหญิงผู้ซึ่งดีใจจนน้ำตาไหลพ่อพองห ร, อหรือพ่อคุณของแม่หายหน้าหายตาไปเลยนะแล้วนี่ใครกันละ่ะคุณหญิงห่วงถามตั้งแต่ไปอยู่บ้านนอกบุตรชายเคยลงมาเยี่ยมสองครั้งและมาคนเดียวลูกชายผมครับชื่อเจรินหลานปู คุณหลวงรูปศีรษะหลานอย่างรักใคร่คุณหญิงจึงชวนว่าเข้าไปคุยกันข้างในบ้านเถอะแดดจ้หัแล้วคนทั้งสี่พากันเดินกลับมาที่เรือนหลังใหญ่สนทนาปราศัยไต่ถามสารทุก์สุกติบกันจนเป็นที่พอใจแล้วทิดพองจึงพูดขึ้นว่าผมจะเอาลูกมาฝากเรียนหนังสือที่บางกอกพรุ่งนี้จะพาไปสมัครสอบที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ดีลกูกพอรู้จักกับอาจารย์ใหญ่เขาเคยมาเรียนดนตรีไทยกับพ่อถ้ายังไงพ่อจะเขียนหนังสือฝากไปด้วยคงไม่ต้องกระมังครับหากไม่เด้เรียนที่นั่นกระผมก็จะให้เข้าวัดนวนเพราะใกล้บ้านดีอยู่สวนกุหลาบนั่นแหละจะได้เป็นเพื่อนกับพ่อประพ์คุณหญิงห่วงพูดขึ้น ถึงอย่างไรท่านก็รู้สึกรักหลานยายมากกว่าส่วนหลานย่านั้นท่านยังไม่เคยคุ้นหน้าตาลูกสะั้ยท่านก็ยังไม่เคยเห็นตอนลูกชายแต่งงานก็มีแต่คุณหลวงไปส่วนคุณหญิงไม่ชอบเดินทางด้วยกลัวความลำบากและที่สำคัญกว่านั้นคือท่านไม่เห็นด้วยที่บุตรชายจะไปแต่งงานกับผู้หญิงบ้านนอก ท่านเคยคิดจะตัดลูกตัดแม่ครั้นเห็นหน้าลูกหน้าหลานกลับใจอ่อนแต่ถึงยังไงเราก็จะไม่รักพ่อคนนี้เท่ากับพ่อพระพ์ของเราคุณหญิงห่วงบอกตัวเองผมกริงว่าจะสอบเข้าไม่ได้ครับทิดพองเรียนตามตรงตั้งได้สิหลานหลวงทาราสอบไม่ได้ก็อายเขาแย่ คุณหญิงห่วงว่าแท้จริงความรู้สึกสองอย่างกำลังต่อสู้กันใจหนึ่งอยากรักหลานย่าให้เท่ากับหลานยายแต่อีกใจก็ยังระแวงสงสัยหลานยายนะหลานข้าแต่หลานย่าสิยังไม่รู้ว่าหลานใครหนุ่มน้อยรู้สึกร้อนๆ้อนหนาวหนาวพอจะอ่านสายตาของผู้เป็นย่าออกจึงท่องคาถาเมตตามหานิยม ที่ยายให้มาเมตันจะสภโลกัสิงมานะสัมภาวเยอปาริมานังพลางนึกในใจว่าคาถานี้ย้ายบอกแม้แต่หมากับผีก็ยังรักคุณย่าไม่รักก็ให้รู้ไปสิอายุเท่าไหร่แล้วพ่อเจริญคุณหญิงห่วงถามสิบหย่างสิบเจ็ดครับ อ่ออายุเท่ากับพ่อประพ์แล้วเรียนชั้นไหนจ๊ะมัธยมสี่ครับจบมัธยมสามมาจากบ้านนอกเรียนช้ากว่าพ่อประพหรายนั้นเขาอยู่มัธยมห้าถ้าผมไม่สอบตกผมก็จะอยู่มัธยมห้าเหมือนกันครับหนุ่มน้อยตอบซื่อทำไมถึงสอบตกละ่ะแสดงว่าขี้เกียจ หรือไม่ก็ปัญญาไม่ดีคนหญิงอย่าไปว่าหลานอย่างนั้นสิหลวงทาราปรามพัญญาดีฉันไม่ดีว่าเพียงแต่ถามดูหรือว่าคถาสูตรนี้ไม่คลังเดี๋ยวขอลองอีกทีหนุ่มเจริญนึกในใจพลางท่องกรณียเมตตสูตรซึ่งจำได้แค่สองบรรทัด ผมต้องช่วยคุณยายทำงานครับผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่รู้สึกขัดเขินที่ต้องเรียกคุณยายและคุณพ่อคุณแม่เมื่อคนบางกรกเขานิยมอย่างนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้คุณยายเขามาขอไปเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆครับทิดพองบอกกับมารดาแค้เช่นนั้นพอเจริญก็รักยายมากนะสิครับ ผมรักคุณยายมากรักเท่าๆกับคุณยา่าในผลเพราะคุณหญิงห่วงยิ้มเป้นรูปศีรษะหลานชายพลางว่าโถ่พอคุณของยา่าช่างฉลาดพูดเลืกเกินนี่ถ้าอยู่กับย่าไปนานๆอาจจะรักย่ามากกว่ายายก็ได้นะจ๊ะเมิ น, มนสัชาติาตหนึ่งหนุ่ม น, น้อยพูดในใจแต่ปากกลับว่า ผมก็คิดอย่างนั้นคุณย่าสวยกว่าคุณยายตั้งแยะรูปร่างก็สวยพูดจาก็ไพเราะคุณยายอ้วนตุตะแล้วก็ชอบดูผมเรื่อยพูดไปแล้วก็แอบขอเข้ามาในใจว่ายายครับโปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยผมจำเป็นต้องเอาตัวรอดถึงได้ป้อปดมดเทสถ้าคุณย่าห่วงไม่รักผมผมก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แต่ถึงอย่างไร ผมก็จะไม่รักใครไปมากกว่ายายของผมพูดเก่งจริงๆหลานหญ้าดูสิอายุเท่านี้ยังฉลาดถึงป่านนี้ถ่าทางจะฉลาดหลักแหลมกว่าพ่อประพน์อีกนะหรือคุณหลวงไหวยังไงท่านถามความเห็นสามีคุณหลวงได้แต่ยิ้มข้างหนุ่มเจริญแอบนึกในใจว่าคาถาของพระพุทธ เ, เจ้าเริ่มทำงานแล้ว อย่าให้เราฉลาดรอบครอบเหลือเกินที่ให้คถานี้มาพ่อครับผมยังไม่ได้ไปกราบคุณพี่สายใจเลยป่านนี้เธอคงรู้จักแม่วาดแล้วว่าผมมาหนูไปกราบคุณป้ากันคุณหญิงจึงว่าไปเลยลูกไปฝากเนื้อฝากตัวกับคุณป้าเขาเสียเขาจะได้ทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินจะได้อ้วนขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่ง หนุ่มน้อยจึงเดินท่องคาถาไปตลอดทางกระทั่งถึงครัวเขาทำให้คุณย่ารักได้แล้วกลาวนี้ก็จะทำให้คุณป้ารักบ้างสองพ่อลูกเข้าไปไหว้คุณสมใจซึ่งกำลังเตรียมอาหารอยู่ในครัวเห็นหน้าหลานชายคุณสายใจนึกรักขึ้นมาทันทีจึงพูดขึ้นว่าพี่ทราบมาจากแม่วาดแล้วว่าเธอกับลูกมา แต่ไม่ได้ออกไปต้อนรับเพราะกําลังยุ่งคงไม่ว่ากันนะ่อยจะกล้าว่าคุณพี่หรอครับว่าแต่ว่าผมขอฝากหลานด้วยจะให้เรียนหนังสือที่บางกอกนี่ก็ดีนะสิพรอบครพจน์ของพี่จะได้มีเพื่อนบ้านนี้มีแต่พวกสาวๆก็ลูกของแม่สายจิตเขานั่นแหละมีเข้าไปได้ตั้งห้าคนไม่ค่อยกินเส้นกับพรอประพจน์สักเท่าไหร่ เขาเคยขออนุญาตคุณตาจะเอาเพื่อนผู้ชายมาอยู่ด้วยแต่คุณตาไม่อนุญาตคราวนี้คงจะได้เพื่อนสมใจละสิแถมเป็นญาติกันอีกด้วยคุณสายใจพูดไปมือก็ผัดข้าวในกระทะไปหนุ่มเจริญจึงพูดขึ้นว่าคุณป้ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมทำกับข้าวให้คุณยายทานทุกวันตำน้ำพริกก็ได้นะครับดีจริง วันหลังต้องขอลองชิมฝีมือบ้างละ่ะพ่อประพ์ของป้าเสอีกที่ทำอะไรไม่เป็นเอาเสเลยแต่เธอก็เรียนเก่งนี่ครับได้ยินแม่วาดพูดว่าเธอเรียนเก่งมากทีเดียวส่วนผมสอบตกซ้าชั้นที่จริงก็ต้องเรียนมัธยมห้าเหมือนคุณประพ์แต่สอบตกเลยต้องอยู่มัธยมสี่หนุ่มน้อยแ้งพูดทำตัว ซึ่งคงจะดีกว่าการพูดยกตนของท่านคนเราก็อย่างนี้แหละหลานเอ้ยมีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่มีใครจะดีไปหมดเลทุกอย่างเช่นเดียวกับที่ไม่มีใครจะเลวไปหมดเลทุกอย่างจริงไหมจริงครับคุณป้าข้อสำคัญคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่ดีตรงไหนก็ต้องยอมรับและพยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เรียกว่าต้องมันพิจารณาสำรวจตรวจสอบตัวเองอย่างผมรู้ตัวว่าเรียนไมเเ่เก<ๆ>่งก็ต้องเอาใจใส่เรื่องการเรียนเป็นพิเศษถูกต้องที่สุดแม้เธอลิ้งลูกได้เยี่ยมจริงๆคุณสายใจชมมาถึงทิศพองครั้นฉุกคิดได้ว่าสามีของเธอไม่ได้เป็นเช่นนี้ใจก็ห่อเหี่ยวหดหูคิดพองพอจะรู้ความในใจของพี่สาว จึงพูดออกตัวว่าผมไม่ได้เลี้ยงเองหรอกครับคุณพี่ผู้ชายเขาไม่ค่อยถนัดกับหน้าที่นี้หนูเขาได้ดีเพราะยายเขาเลี้ยงต่างหาผมว่าผู้หญิงเลี้ยงลูกได้ดีกว่าผู้ชายนะเอาละ่ะพี่คุยกับหลานไปก่อนผมขอตัวละ่ะขอไปอาบน้ําล้างหน้าให้ชื่นใจหน่อยแล้วพ่อเจอเรนอาบน้ําล้างหน้าหรือ ย, ยังป้าว่า ไปเตรียมรับประทานอาหารกลางวันดีกว่าวันหลังค่อยคุยต่อวันนี้หนูคงเหนื่อยแย่เดินทางข้ามคืนข้ามวันอย่างนี้หนุ่มน้อยจึงได้โอกาสลุกตามบิดาไปอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้ารับประทานอาหารกลางวันกันแล้วสองพ่อลูกก็ได้พักผ่อน ในห้องส่วนตัวของทิ์พองซึ่งกำลังจะกลายเป็นห้องส่วนตัวของหนุ่มเจริญหนุ่มน้อยหลับสนิทด้วยอดนอนมาทั้งคืนครั้นตื่นขึ้นในตอนเย็นก็ต้องแปลกใจเมื่อดูบ้านคึกคักไม่เงียบเหงาเหมือนเมื่อตอนกลางวันคุณประพ์กลับจากโรงเรียนได้ทราบจากมารดาและบ่าวไพร่ว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยก็ดีใจนักหนา คอยดั้มดั้มมองมองอยู่แถวหน้าประตูห้องของน้าชายข้างพวกสาวน้อยทั้ง5ที่เป็นนักเรียนราชินีก็พากันลิงโลดที่จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นคุณสายจิตมีลูกสาวห้าคนคนโตอายุ16คนที่2 14คนที่สและที่สเป็นคู่แฝดกันอายุ13และคนเล็กอายุ12สอง ทันทีที่เปิดประตูห้องออกมาหนุ่มเจริญก็ได้พบกับคุณประพน์ซึ่งคอยเฝ้าดูอยู่พวกสาวๆก็มายืนหน้าสลอนคอยทักทายสวัสดีครับคุณเจริญพอคุณประพ์พูดจบพวกสาวๆก็ประสานเสียงขึ้นพร้อมกันว่าสวัสดีค่ะคุณเจริญหนุ่มน้อยยิ้มให้คนทั้งหกคุณประพ์ หันไปทำตาเขียวใส่แม่สาวน้อยทั้งห้าเรื่องอะไรมาเรียนปากผมจะไปไหนก็ไปกันเถอไปผมจะคุยกับคุณเจริญพวกเราไม่ได้เรียนปากคุณแต่พวกเราก็อยากคุยกับคุณเจริญเหมือนกันนางสาวสายแก้วพี่สาวคนโตเถียงแทนน้องๆแต่คุณเจริญเขาคงไม่ชอบคุยกับผู้หญิงหรอกผมเองยังไม่ชอบพวกผู้หญิงนี่เรื่องมากจริงไหมครับคุณเจริญ หนุ่มน้อยอยากจะรับรองคำพูดนั้นเขาเข้าใจคุณประพ์ด้วยตัวเขาก็มีพี่สาวถึงเก้าคนแต่แล้วก็พูดได้เพียงว่าผมมีพี่สาวเก้าคนแล้วก็มีเพื่อนหญิงอีกเกือบ20สิบเลยออกจากคุ้นคุ้น ขาดทิดพองไปคนเดียวเพราะเขาถือศีลแปดคนอื่นๆนอกนั้นต่างรับประทานกันอย่างอเอร็จอร่อยคุณหลวงและคุณหญิงมีความสุขกว่าทุกวันด้วยมีทั้งหลานปู่หลานตาหลานย่าและหลานยายหนุ่มเจริญรู้สึกเอ็นดูคุณประพ์มากกว่าห้าพี่น้องเพราะเห็นว่าเธอขาดความอบอุ่นจากบิดาตัวเขา คงจะอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างมีความสุขจะทุกอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคือคิดถึงยายป่านชนี้ยายก็คงจะคิดถึงเขาเช่นกันก่อนนอนคืนนั้นหนุ่มเจริญ ได้ขอให้บิดาจดกรณียะเมตตาสูตรให้และทิดพองก็ได้เล่าประวัติความเป็นมาของสูตรนี้ตามที่ได้รับมอบหมายมาจากแม่ยายเพียงแต่ไม่ได้เล่าในเรือแดงเท่านั้นเพราะเวลาและโอกาสไม่อำนวยเมื่อเล่าจบทิดพองพาลูกไหว้พระสวดมนต์โดยเริ่มตั้งแต่บทพุทธคุณ และไปจบที่กรณียะเมตตาสูตรแล้วต่างก็ช่วยกันแผ่เมตตาไปให้อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบด้วยว่าพรุ่งนี้เขาทั้งสองจะต้องไปพบหนุ่มน้อยออกจะเชื่อว่าคาถาของพระพุทธเจ้าที่ยายให้มานั้นขลังจริงวันพรุ่งนี้เขาจะได้พิสูจน์อีกครั้ง หลวงธารามีเรือส่วนตัวสำหรับรับส่งหลานๆไปเรียนหนังสือมีคนขับที่ให้ค่าจ้างเป็นรายเดือนหลังอาหารเช้าพวกเด็กๆวัยรุ่นพากันไปโรงเรียนทิศพองกับหนุ่มเจริญก็มากับเรือด้วยน่าต้องไปรับเพื่อนคุณเจริญก่อนทิศพองบอกคุณประพจน์เมื่อเดินมาถึงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบคุณประพจน์ จึงต้องเดินเข้าไปในโรงเรียนแต่ผู้เดียวส่วนสาวน้อยทั้งห้าแยกย้ายกันตั้งแต่ขึ้นจากเรือเพราะโรงเรียนราชินีอยู่ติดกับท่าเรือนั่นเองกรณียาเมตสูตรที่ยายกำชับให้ท่องนั้นช่างมีอนุภาพเกินกว่าที่จะพรรณน า, นาด้วยว่าเมื่อคนทั้งสามพบอาจารย์ใหญ่ท่านก็แจ้งว่า ทางโรงเรียนได้ผ่านการสอบคัดเลือกไปเรียบร้อยและเปิดเรียนมาหนึ่งสัปดาห์แล้วบังเอิญเมื่อสองวันก่อนนักเรียนคนหนึ่งเกิดจมน้ำตายเพราะลงไปเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นตะคริวว่วเข้าฝั่งไม่ได้จึงมีที่ว่างหนึ่งที่สำหรับหนุ่มเจริญจรุนรัตซึ่งพออาจารย์ใหญ่เห็นนามสกุล และรู้ว่าเป็นหลานครูบาอาจารย์ตนจึงยินดีรับไว้ส่วนหนุ่มกันเชียงนั้นไม่มีที่ว่างแล้วพักอยู่ที่ไหนอาจารย์ใหญ่ถามหนุ่มกันเชียงอยู่วัดสาเกตครับอยู่กับพระซึ่งเป็น ญ, ญาติกับคุณพ่อพร้อมพระรูปนั้นท่านชื่ออะไรพระมหาแพลวครับอ๋อเธอเป็นหลานมหาแพลวหรอือ พอดีทางโรงเรียนกำลังจะมีหนังสือไปนิมนต์ท่านมาช่วยสอนวิชาศิลธรรมทั้งเราได้ยินกิตติศัพท์มาว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเช่นนั้นเห็นจะต้องรับเธอเข้าไว้เรียนที่นี่ท่านจะได้ไม่กล่าปฏิเสธได้ยินอาจารย์ใหญ่พูดขึ้นทั้งทิศพองและลูกชายต่างคิดตรงกันว่ากรณียเมตตสูตรช่างศักดิ์สิทธิ์แท้